เดือนคล้อยเวหามีเทพท้ายเทวายานาก็มาขอฟังธรรมพระอาจารย์มัน่นบางคราวบางคราก็ต่างมุ่งมาตรง สั้นเวลานาทีมาก่อนมาหลังท่านรู้ทางได้ดีเทพจะมายามใดท่านรู้ก่อนได้ดทุกทีเทฟเบื้องบนเบื้องลา่างรู้ได้อย่างควรทีทั้งพวกหนักมากนี้ รับขับสู่เทสายามราตรีทางสนธนาแสดงคำต้องตามคำพีตามแต่เทพ ทางดูร้ายนานาเหล่านากทั้งเทวดาต่างก็มาพิทกักษาดูแลหัวายชาวบ้านที่อยู่ในย่านก็ปลอดภยัย สยไม่มีอันตรายเสือร้ายไม่คอยเข่นฆ่าเป็นที่อัศจรรย์ใจเลือจะบันระนาในป่าเขาบางที่มามีด้วยเทวดาในแม่น้ำลำห้วยบางแห่งมาคุวยนาคา รายทุกชุมมากนักนาแปลกนักไม่มีตัวไหนกลา้าทึกเหิมตั้งนามาราวีหรือไม้มุ่มันบันชีวีบางครั้งเสือมาไกลทางจงกรมก็เห็นนี แตต่่่ไมนนมไมมมนนนนาาาก็เดดิิีครวรวในสมัยที่ท่านจำพรรษาอยู่เขาผักกูดแถบหมู่บ้านสามผงบ้านห้วยสายบ้านคำาชีหนองสูงโคกกลางป่าเขาลูกนั้นเทวดาก็มากเสือก็ชุกชุม บางคืนเสือมันมาเที่ยวใกล้บริเวณรอบที่พักของท่านและส่งเสียงร้องกระหึมสนานวานไหวทางโน้นก็ร้องทางนี้ก็ร้องกระหึมรับกันเป็นพักๆ พ, พระเนนบางคืนไม่ได้หลับได้นอนกันเลยน่ากลัวมากแต่ท่านไม่ได้กลัวพวกมันเลยท่านบอกว่าเทวดารักษาตลอดเวลาคือเวลาเทวดาลงมาเยี่ยมฟังเทศฟังธรรมจากท่านเขาบอกกับท่านว่าเขาพากันคอยอารักขาไม่ให้อะไรมารบกวนทาอันตรายได้ฉะนั้น ท่านจึงหาอุบายพูดให้พระเนนฟังว่าใครขี้เกียจทําความเพียรระวังให้ดีนะเสือมันจะมาเอาไปกินเป็นอาหารใครขยันทําความเพียรเสือจะกลัวและไม่เอาไปเป็นอาหารทั้งพระและเนนพอได้ยินดังนั้นต่างก็เร่งทําความเพียรไม่ลดละแม้เสือกําลังร้องกระหึ่มอยู่ ร, บรอบๆบก็จําต้องฝืนออกไปเดินจงกรมทั้งที่กลัวแสนกลัวนั่นเองแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีองค์ใดได้รับอันตรายอีกอย่างหนึ่ง แม้ปกติเสือจะเคยมาเที่ยวกัดกินวัวควายชาวบ้านเป็นประจำก็เลิกรากันไปไม่ทราบว่ามันไปหากินกันที่ไหนและชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่ท่านเคยไปพักอยู่ก็เคยมาเล่าให้ท่านฟังเหมือนกันว่าเสือไม่ทําอันตรายสัตว์เลี้ยงของเขาเลยน่าอัศจรรย์มากหัวหน้าเทวดายังบอกกับท่านว่าท่านมาพักอยู่ที่นี่ทําให้พวกเทวดาสบายใจและมีความสุขมากผิดปกติเพราะกระแสเมตตาธรรมของท่าน แผ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศแผ่นดินไปหมดไม่มีอะไรเหมือนเลยเวลาท่านแสดงธรรมแก่พระเนนและประชาชนกระแสเสียงของท่านนั้นสะเทือนไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีขอบเขตท่านย้อนถามเทวดาว่าก็มนุษย์ไม่เห็นได้ยินกันบ้างทว่าเสียงเทศสะเทือนไปไกลดังว่านั้นหัวหน้าเทวดารีบตอบท่านว่าก็มนุษย์นั้นเขาจะรู้เรื่องและสนใจอะไรกับศิลธรรมกันท่าน เขาเอาตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเขาไปใช้ในทางบาปทางกรรมและขนนรกมาทับถมตัวเองตลอดเวลามีน้อยรายเต็มทีที่มนุษย์จะนำตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทำประโยชน์คือศีลธรรมนั้นมนุษย์คนใดชั่วก็รู้จักแต่ทำชั่วทายเดียวเวลาตายแล้วก็นิมนต์พระมาสาทยายกุศลาธรรมมาให้ฟังเขาจะเอาเวลาไหนมาฟังสำหรับคนชั่วขนาดนั้น เพราะพอเขาตายลงไปกรรมชั่วก็มัดดวงวิญญาณเขาไปแล้วตั้งแต่วินาทีแรกขณะเขาสิ้นใจนั่นแหละพระคุณเจ้า